ทำว่าสวดมนต์ก็ควรทำด้วยความตั้งใจแต่แม้ว่าเราจะสวดมนต์ด้วยความตั้งใจบ่อยครั้งแล้วก็พบว่าการที่จะใส่ใจกับการสวดไปตลอดนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมนไม่ใช่เพราะว่าง่วงเอาจเอานอนหนระือแม้จะไม่มีความง่วงเลยถึงแม้จะรู้สึกตื่น แล้วกระชับกระเฉงแต่ว่าการที่จะใส่ใจอยู่กับการสวดเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายเดยเฉพาะคนที่มาสวดเป็นประจำเป็นกิจวัตรหรือถึงจะเพิ่งมาสวดใหม่ๆนะก็ตามเนี่ยให้ลองสังเกต ด, ดูเนี่ ระหว่างที่สวดเนี่ยบ่อยครั้งนใะจมันก็จะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะคิดเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าคาดเดาไปเมื่อจะนึกถึงคนที่ อยู่ที่บ้านอยู่ที่ น, นั่นที่นี่ในเวลาคิดเรื่องพวกนี้มันจะคิดเป็นเรื่องเป็นราวนะไม่ได้คิดเป็นชอ็อตเป็นภาพแต่ว่ามันคิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่ก็ให้สังเกตดูนะพอคิดไปได้สักพักเนี่ยมันจะเกิด ความเราลึกขึ้นมาได้ว่าเรากำลังสวดมนต์อยู่พอลึกขึ้นมาได้เนี่ยไอเรื่องราวที่คิดไปยาวเวย็ดเนี่ยมันก็สะดุดหยุดเล ย, เยและใจเราก็กลับมาอยู่กับการสวดเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเพราะที่เราควรจะ รู้จักเอาไว้นะตอนที่เราลึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยใจลอยเผลอไปเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะเกิดความสึกตัวขึ้นมาเราควรทำความคุ้นเคยกับภาวะหรือว่าประสบการณ์อันนี้เอาไว้ หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าความสึกตัวคืออะไรเวลาฟังคำบรรยายครูบาอาจารย์้พูดถึงความสึกตัวมันคืออะไรบางทีรู้สึกว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือว่าลึกลับขึ้นมาจนต้องแสวงหาแต่จริงมันเกิดขึ้นกับเราอยู่ประจำ โนะดยเพราะเวลาที่เราใจลอ ย, นนยคิดไปโน่นที่ไปนี่แล้วเกิดแล้วขึ้นมาได้นะว่าเราเผลอไปแล้วนะใจมันที่เคยพลัดออกจากสิ่งที่กําลังทําอยู่ไ่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไม่อ่าจะเป็นการถูฟันกินข้าวพอมันกลับมาเนี่ยเรียกว่ากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว ตรงนั้นแหละนะที่ความสึกตัวมันได้กลับมาหรือได้เกิดขึ้นกับเราและเราก็จะพบว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่อะไรนะไม่่เป็นสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราเกิดกับเราเรียกว่าตั้งแต่รู้ความเลยก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยทำความรู้จักกับมัน หรือว่าไม่สังเกตภาวะหรือประสบการณ์อันนี้ที่เราไม่คุ้นเคยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเกิดขึ้นเป็นแวบๆนะเป็นขณะขณะไม่ต่อเนื่องแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นกับเราอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งนี้ก็หลายครั้ง ทำความคุ้นเคยนะกับความสุขตัวไว้หรือที่เรียกว่าจดจำมันเอาไว้ก็ได้แต่ไม่ใช่จำด้วยการอ่านการฟังแต่ว่าจำด้วยการที่ประสบพบบ่อยๆถึงเวลาที่เราลืมตัวหรือเวลาที่เราหลง ซึงเป็นภาวะที่ตรงข้ามกับความสึกตัวเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นภาวะที่ไม่ปกติตรงนี้แหละที่มันจะช่วยทําให้เราเนี่ยกลับมารู้สึกตัวได้ง่ายเพราะมันมีการเปรียบเทียบนะตอนที่หลงเนี่ ย, ยมัน มันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยประสบตรงนี้แหละที่มันจะเหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจนะให้กลับมารู้สึกตัวหรือว่าสลัดความลงออกไปได้เร็วขึ้นการเจอกันเนี่ยตอนที่ใจลอยคิดโนยนคิด น, น, ดนี่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ เกิดระลึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยเรากาลังทําอะไรอยู่ตอนนี้กำลังทําวัดอยู่นะเนี่ยไอ้ความระลึกได้เนี่ยนะมันคืออะไรก็คือสติได้ยินคำว่าสติไดงไง้บ่อยๆนยีแต่ว่ามันคืออะไรเนี่ยจะรู้ได้เนี่ยมันก็จากประสบการณ์ของเราโดยตรงนี่แหละ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรากำลังทำวัดสวดมนต์ก็ได้หรือเวลาทำกิจอื่นๆก็ได้ไอความระลึกได้เนี่ยคือสติจริงเราใช้สติเรียกว่าทั้งวันเลยนะแต่ส่วนให ญ, ญ่เราใช้สติเพื่อการระลึกได้ถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เรียกว่าจําได้นึกขึ้นมาได้อย่างเช่นจําได้ว่าเนะมื่อวานนี้ได้ฟังคำบรรยายเรื่องอะไรหรือเวลาเรียนหนังสือก็จําได้ว่านะครูบาอาจารย์สอนว่าอย่างไรวิชานี้เวลาทําข้อสอบนี่ทโจทย์เนี่ยมันต้องใช้ความจํา ระลึกได้ถึงวิชาที่เรียนมาเราลึกถึงข้อความที่ท่องเอาไว้แล้วก็เอามาใช้ในการตอบข้อสอบสมัยก่อนจะโทรศัพท์เนี่ยถึงใครเนี่ยมันก็ต้องลึกขึ้นมาได้ก่อนว่าเนี่ยเขาเบอร์อะไรนะจะเดือนนี้มันไม่ต้องใช้การระลึกได้ตรงนี้แล้วเพราะเครื่องโทรศัพท์มันเมมให้ แต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่เราต้องอาศัยการระลึกได้การจำได้แต่ส่วนใหญ่เป็นการจำได้ถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วเช่นจำได้ว่าเราวางรองเท้าไว้รดดไตรงไหนเราจอดรถไว้ตรงไหนหรือว่า เราบอกที่บ้านไม่บ้านเนี่ยเราจะกลับบ้านเมื่อไหร่เนี่ยจำได้อันนี้ก็เป็นงานของสตินะแต่ว่ามันมีไอความจำได้ที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราทำวัดคือจำได้ว่าเนี่ยเรากำลังสวดมนต์อยู่เนี่ยมันตายจากการที่เรา จำได้อย่างที่เล่ามาในการจำได้อย่างที่เล่ามาเป็นเรื่องของการจำได้ในสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือเรื่องที่ได้ทำในอดีตแต่ว่ามันมีการจาอีกแบบหนึ่งนะก็คือจาได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเมื่อกี้ใจลอยไปแล้วก็ นึกขึ้นมาได้จำได้ว่านี่เรากำลังสวดมนต์อยู่การสวดมนต์เนี่ยคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะ น, นี้ในขณะที่กำลังปากก็กำลังสวดไปแต่ว่าใจลอยแล้วก็ลึกขึ้นมาได้ว่านี่เรากำลังสวดอยู่การสวดคือสิ่งที่ ก, ำ, ก, รร ก, กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเราลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันอันนี้คือสติเหมือนกันนะ แต่ว่าเป็นสติคนละแบบกับสติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันสติที่เราพูดถึงคือสัมมาสติซึ่งคนที่จำเก่งแต่ว่าบางทีก็มักจะลืมไปว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเพราะชอบใจลอยพอใจลอยเนี่ย นะเราก็เรียกว่าลืมตัวนะคือไม่รู้กำลังทำอะไรอยู่ในเวลานั้นๆแล้วพอลืมตัวแล้วนะมันก็ลืมน่ลืมนี่นะอย่างเช่นลืมแว่นตาลืมโทรศัพท์ไม่รู้วางไว้ตรงไหนเมื่อกี้เพิ่งวางไว้หยกๆยก แต่พอจะนึกขึ้นมาว่าวางไว้ตรงไหนมันนึกไม่ออกอันนี้เพราะแหลรเพราะตอนที่วางเนี่ยของชิ้นนั้นเนี่ยมันลืมตัวใจลอยก็เลยวางแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เลยพอจะนึกขึ้นมานึกไม่ออกนะแต่ถ้าเกิดว่าเรา วางสิ่งของในขณะที่เรารู้เนื้อรู้ตัวใจไม่ลอยไม่หลงเนี่ยพอจะนึกขึ้นมาว่าวางของไว้ตรงไหนเนี่ยมันก็นึกออกนะมันจะยากอะไรพอเพิ่งวางไว้เมื่อห้านาทีที่แล้วนี่เองสติที่เราพูดถึงเนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยก็คือสัมมาสติคือความระลึกได้ในสิ่งที่กาลังทำอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งช่วยทําให้เราไม่ลืมตัวและการระลึกได้ที่ว่าเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเองนะเราสังเกตดหุหายใจเราลอยระหว่างที่สวมดมนต์เนี่ยนะหรือระหว่างที่ทําอะไรก็ตามเช่นกินข้าวหลงทางการเดินจงกรมนะการสร้างจังหวะจู่ๆมันต้อขึ้นมาได้เองนะว่ากําลังทําอะไรอยู่ จู่ๆมันก็รู้ตัวขึ้นมาได้เองมันเป็นความระลึกได้ที่เกิดขึ้นเองไม่เหมือนกับการระลึกบางอย่างนะที่มันอาจจะใส่ความตั้งใจแล้วค่อยๆลำดับเนะช่นถามว่าเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยนะเรากินข้าวกับอะไร ทุกคนจำได้อยู่แล้วนะแต่ว่าจะนึกขึ้นมาได้นี่มันก็ต้องตั้งใจนึกสักหน่อยหรือว่าเมื่อวานอรตมาบัญญายเรื่องอะไรนะพูดถึงอะไรเนี่ยกว่าจะนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อพูดเรื่องตัวกุศลนะ ซึ่งตรงข้ากับเจ้าตัวร้ายเนี่ยมันก็ต้องมีการตั้งใจลําดับนะจึงจะนึกขึ้นมาได้แต่ว่าการระลึกได้ว่าเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่ในเวลานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะไม่ได้เกิดจากเจตนาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ กา้เราเลือกขึ้นมาได้เองแบบนี้ก็มันก็เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราบ่อยๆนะแต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นนะเช่นนึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยตอนนี้ได้เวลาทําบัดแล้วนะกําลังดูหนังสือเพลินนึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยนี่ได้เวลาที่เราต้องกินข้าวแล้วนะ หรือว่ากำลังดูโทรทัพท์เพลินเพินก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราตั้งน้ำเอาไว้ต้มน้ำเอาไว้เป็นชั่วโมงแล้วนะตอนนี้น้ำคงแห้งหมดแล้วนี่มันนึกขึ้นมาได้เองไม่มีใครบอกไอ้การระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาได้เอง นะแต่ใหม่ๆเนี่ยมันจะใช้เวลานะกว่าจะนึกขึ้นมาได้นะใจลอยไปคิดไปโน่นคิดไปนี่เป็นคลุ้งเป็นแควกว่าจะนึกขึ้นมาได้อันนี้เร้ว่าสัมมาสติของเรานี่ยังอ่อนอยู่นะ ยังไม่รวดเร็วแต่ว่าทำให้มันรวดเร็วได้นะด้วยการฝึกด้วยการทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆไม่ใช่ทำด้วยการมาเดินจงกรมอย่างเดียวหรือว่าด้วยการสร้างจังหวะหรือการปฏิบัติอย่างเดียวแต่ว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยสวดมนต์ กินข้าวอาบน้ำล้างหน้าเราก็สามารถจะฝึกได้ให้ระลึกขึ้นมาได้บ่อยๆว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันทำยังไงนะก็เวลาทำอะไรเนะี่ยก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นนะเตือนใจตัวเองอยู่เสมอนะ ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นแต่ก่อนนี่ตัวอยู่ห้องน้ำแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนตัวอยู่บ้านนะแต่ว่าใจเนี่ยเฉลยลฉลยไปข้างนอกตัวอยู่วักแต่ใจไปอยู่บ้านนะฝึกนะง่ายๆเจริญสติง่วิธีเจริญสติง่ายคือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น หรือว่าตัวทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นนะกำลังล้างหน้าใจก็อยู่กับการล้างหน้ากําลังกินข้าวใจก็อยู่กับการกินข้าวนี่เป็นวิธีฝึกง่ายงาย่เพราะว่าใจเนี่ยมันชอบเผลอใจมันชอบเผลอตัวอยู่นี่แต่ใจไปอยู่นั่นนะ ตัวกำลังกินข้าแต่ว่าใจไม่ได้อยู่การกินข้ามันคิดโน่นคิดนี่ตรงนี้เราเรียกว่าลืมตัวละวนะภาษาชาวบ้านเรียกว่าใจลอยนะแต่ใจล้ะคือการลืมตัวนั่นแหละเพราะตอนนั้นไม่รู้กําลังทําอะไรอยู่แต่ว่าใจมันลอยไปสักพักมันก็ระลึกขึ้นมาได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ในขณะนี้นะ อันนี้ว่ามีสติสติมันก็พาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมารู้ว่าทำอะไรอยู่แต่ไปรเรืเดอยวมันไปกแล้วพอไปกแล้วนี่สักพักสติก็ทำงานแล้วลึกขึ้นมาได้มันก็พาใจกลับมาไอ้ที่เคยคิดโน่นคิดนี่มันก็สะดุดหรือหายไป เกิดความสึกตัวขึ้นมางถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเวลาใจเนี่ยมันไหลไปตามอารมณ์หรือว่าถูกอารมณ์ครอบงำเนี่ยเช่นความเครียดความโศก ค, ความเศร้าความอิจฉาหรือว่าความวิตกกังวลความกลัว อันนี้มันเกิดขึ้นเพราะเราขาดสติลืมตัวถูกอารมณ์ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำหรือว่าผู้อย่างก็ใจมันไหลไปตามอารมณ์นั้นหรือว่าหลงเข้าไปในอารมณ์แต่พอมีสติขึ้นมาเนี่ยมันเห็นเลยนะมันเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นพอเห็นนะมันก็ จิก็กลับมาเป็นปกติหรือเรียกว่าหลุดจากอารมณ์นั้นกลับมารู้สึกตัวขึ้นมาโดยจะพูว่ความสึกตัวเนี่ยมันทําให้อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันสูญสลายหายไปก็ได้การเห็นหรือรู้ทันความคิดและอารมณ์เนี่ยมันสําคัญนะที่จะทําให้เราเนี่ย ออกจากความทุกข์ได้ไวอย่างที่เล่าเมื่อวานเนี่ยเด็กเนี่ยเห็นรูกประคำแล้วเด็ร้องอูู้เนี่ยเด็กเห็นความดีใจให้ความดีใจมันก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งนะที่มันสามารถจะเป็นการบ้าน เื่อฝึกสติได้มันมีอารมณ์เกิดขึ้นต่างๆมากมายทั้งบวกทั้งลบทั้งทั้งขึ้นและลงทั้งฟูทั้งแฝดส่วนใหญ่เราก็ชอบอารมณ์ที่ฟูเราไม่ชอบอารมณ์ที่แฝดแต่ไม่ว่าจะฟูหรือแฝดนี่หรือว่าขึ้นหรือลงเนี่ยสิ่งที่ควรทำ สอนนักปฏิบัติก็คือว่าการดูมันเห็นมันถ้าไม่เห็นฟูเนี่ยไม่เห็นอารมณ์ฟูเนี่ยมันจะเห็นอารมณ์แฝดได้อย่างไรถ้าไม่เห็นความดีใจหรือไม่เห็นข้างในมันดีใจเนี่ยจะเห็นความเสียใจหรือรู้ทันเมื่อข้างในมันเสียใจได้อย่างไรไอสตินี่มันพอเห็น อารมณ์พวกนี้เราเนี่ยจิต ท, ที่มันเคยฟูเคยแฟบ ก, ก็กลับเป็นปกติจิต ท, ที่มันเคยกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อลงก็กลับมาเป็นปกติและสิ่งที่ตามมาคือความสงบนะเหมือนกับน้ําที่ราบเรียบและนี่เลยนะก็คือสิ่งที่เราควรจะรู้จักทําความคุ้นเคยกับภาวะเช่ฉลี่ยวไว้และทั้งหมดเนี่ยมัน สติมันทำงานมันเองนะเราไม่ต้องสั่งเพีวยงแต่ว่าเราพยายามช่วยให้สติเขาแข็งแรงปราดเปรียวว่องไวด้วยการปฏิบัติบ่อยๆอย่างที่ว่าพอเรามีสติที่ดีมันก็เหมือนกับ ม, มีเซนเซอร์นะเซนเซอร์ที่คอยทำงานโดยอัตโนมัติบอกเราเองเหมือนกับเวลาเราเดินผ่าน โคมไฟเนี่ยนโคมไฟเนี่ยมันมีเซนเซอร์นะพอมีคนเดินผ่านมันก็สว่างสติมันก็ทำงานคล้ายๆกันนะมันเป็นเซนเซอร์ของใจเวลามีอารมณ์จรเข้ามาไม่ว่าดีใจเสียใจไม่ว่าความโกรธความเกลียดความเครียดความลิงโลด ความเบื่อความเซ็งพอมันจอนเข้ามาในใจเนี่ยสติมันทำงานบอกเราเลยเหรือมันก็นเซนเ ซ, นเซอร์นะที่มันสว่างขึ้นมาเมื่อมีอะไรเดินผ่านเพราะพะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรามีเครื่องรักษาใจที่ดีมันก็เหมือนกับเซนเ ซ, นเซอร์ที่คอยบอกเราเนะ เวลามีไฟเกิดขึ้นในอาคารเพียงแค่มันมีควันกนละวนขึ้นมาเนี่ยเซนเซอร์มันก็ทำงานบอกเราละนั่นสตินี่มันทำงานอย่างนั้นแหละเป็นเซ็นเซอร์วันนั้นเนี่ยเวลามีอารมณ์ใดๆที่จะมารบกวนจิตใจเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาะครอบงำ เหลือบีบคั้นใจเราได้เรารู้ทันมันให้เวลาเจ้าตัวร้ายเนี่ยมันจะเข้ามานะปกปั่นยุยงนะเราก็รู้ทันนะรู้ทันเวลามันโผล่มาหรือว่ารู้ทันอุบายของมันเหตุผลข้ออ้างของมันเราไม่เชื่อนีเราก็ไม่ต้องไปทาอะไรกับมันเพียงแค่รู้ทันมัน มันก็ยอมแพ้แล้วเหมือนกับความมืดเนี่ยที่มันยอมแพ้แสงสว่างหรือว่าพวกสัตว์ที่ชอบอาศัยซุกซ่อนอยู่ในความมืดพอเจอที่โ่วงพอเจอที่สว่างมันก็ต้องหลบลี้หนีหน้าหายไปนั้นทำควารรู้จักเอาวไว้นะสติความรู้สึกตัวเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เป็นของอที่แปลกแยกอะไรจากชีวของเรา เป็นของธรรมดาที่เราสามารถจะพบสัมผัสได้ทุกวันนะไม่ต้องรอมาวัดจึงจะมารู้จักกัสติหรือจะมารู้จักความสึกตัวอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนอยู่บนถนนอยู่บนรถไฟฟ้าเดินทางแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสกับสติความสึกตัวได้แล้วก็ อุดหนุนส่งเสริมให้สเตจความสุขตัวจเจริญงอกงามขึ้นอาชาญิวเท่านีนะ